ยืดขึ้นชุดห้าค่าหนึ่งักเดือนอ้ายชุดห้าค่าเปือนพระกลางเดือนงงเาาน้่พระจางลอยโดยนิพพานบว่พระกาศกลางเดือนแจ่มใสด้วยพระจันทร์จดยนดวงในวันนี้จิตใจก็มาท่วงเมืองหนักในหุ่นใจเราท่านพุทธบริษัททั้งหลายก็มาพร้อมใจกันสามัคคี สร้างความดูในวันพระเป็นฟังวันฟังธรรมเป็นวันธรรมะสุวรรณะคือตรงกางฟังธรรมและตรงกลางปฏิบัติธรรมในวันนี้ท่านทั้งหลายก็พร้อมใจกันมาขอสมาทานชุนแปดอัฐบวรขาร8 กระสงมีอัฐบริขารโยงก็มีอุเบกชนมีกรรมฐานข้าวสำลัปนปฏิบัติธรรมตาสุขาสามสนตมาที่ปัญญาโยงปลัดถึงมี อ, องค์แปดประการแลกร้ ก, กล็ครบด้ว ย, ยการากําหนดจิดด้วยกรระบุตรศิลปายกรรมสารวิจิกรรมสีมโนกรรมสารพร้อม บ, บริบรูรณ์ทุกประการ คือการปฏิบัติธรรมนั้นการฟังธรรมท่ทาฟังที่ไม่เข้าใจเพื่อไปปฏิบัติธรรมนั่นเองฟังแล้วกว่าปฏิบัติเรียกว่าปริยัติศาสนาศศรษฐาความรู้หาวิชาการในศาสนาแค่วกว่าปฏิบัติที่มาเรียกว่าปฏิบัติศาสนาก็คือปฏิบัติรูปปัจฉนากรรมฐาน ปฏิบัติกรรมฌานปฏิบัติธรรมนี่นแหละมันจะเกิดปฏิเวชชาชนาปฏิเวศชาชนานั้นก็หมายความว่าได้อานิสงส์ในภาคปฏิบัติธรรมมากเพาเราเป็นชาวชาวพุทธเราเป็นนักพุทธศาสนาเรายอมรับนับถือคำสั่งสอน ข, ข, ของพระพุทธเจ้าเลยนะเราก็นับว่าโชคดีเลยรงที่เราได้มาเข้าเป็นชาวพุทธ พระพุทธจเจ้าดวมาตัใ้ในโลกสองพันกว่าปีแนละ้วนับโชคดีทุกประการเราท่านทั้งหลายโชคดีทุกท่านแต่อย่าให้โชคร้ายฝ่ายร้ายเข้ามาโชคดีหายไปถ้าท่านปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจา้าแล้วท่านจะไม่มีโชคลายจ่อปังมิจะโชคดีมีสุขลาสุจากทุกได้เท็ทานตา ทานศูนลภาวนาก็อย er, er, ู offs, ่ในข้อคิดทั้งท่านทั้งหลายทานการให้การช่วยบางคนงดเหนียบเดี๋ยวเหนียบงามแต่แกมแต่ชดเงินไม่หยุดแต่มงามแต่แกมไปชดจะเหลือทีที่จะอดทนได้ บางคนก็ไม่มีธรรมะไปจำใจเลยทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายที่เราเข้าวัดต้องการจะได้ผลดีจากวัดถ้าปฏิบัติไม่ใช่วัดอัมพวันแต่กลับมาเสือใจด้วยไม่ได้ดีออกจากวัดข้อปฏิบัติไม่ได้ไม่มีปฏิบัติาศาสนาจตะการีด้เข้ามาเที่ยวเล่นเฉยใจทำงานหนูจตุการีได้ ไม่มีการเย็ยนใจเข้ามาแล้วมีแต่ล้อนอกร้อนใจร่องลุ่ลกลับตุ้นพนุ่งพ่อสาวแม่สาวหน้าขาวกลับไปมีแต่ความทุกข์ระทมข้นขืนตลอดราการไม่มีความสุขสําราญชีวุตจากประการใดก็เนื่องจากเขาเหล่านี้ได้ปฏิบัติธรรมอันถูกต้องเข้ามาแล้วไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อขายความเมื่อยใจ ไม่มีมีความอดทนแต่ประการใดมาเชื่อไว้กับชื่อเฉยพอได้กระทบกระเทือพเนจก็ไม่อดทนกลับบนจู้จือนั่งหนีกึงขึ้นย่ือหาที่พิงมาได้กลับไปโดยไม่มีโชคมีใช่มือจะสัยียาจำาลากลับไปแต่จะได้ดีมีปัญญาตงุงไหนแล้ว ฐานศีลภาวนาก็ไม่เข้าไปแาบสนิทติดในจุลจักทั้งท่านทั้งอุบาสกบริดาร้างประสมองจากถ้าใครแาบสนิกติดในจุลจกักเพื่อถารัดรมคำสอนของพราเปิดใจแล้วควนนั้นจะเอดทนในบรมภาวนาอย่างอืนมือจอตั้งสติวึดมันยุดครอ ง, ท, า ง, งาทำยองทำตรงที่วลัลลกอุ่เสมอ จำหนี้อยู่กรททำทั้งหลายให้แนบพระหยุดติดในหัวใจตลอดไปจนตายตั้งจำกนี้จะความสุขหนี้จะความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรแน่นอนในวันธรรมมสวนะวันธรรมมทสวรรณะนี้ก็เป็นการฟังธรรมและปฏิบัติธรรมนะไม่ใช่มาเที่ยวตามวัดเนียบสนัดไม่มีใครฟังธรรม ไม่มีใครเข้าไปปฏิบัติกรรมฐานแนมะ้แต่วัดเดียวเลยเสียดายมากเสีดาเวลาที่มันมีประโยชน์ประจําชีวิตของเราทุกเวลาเลยทําไมใช้เวลาเอาไม่มีประโยชน์ต่อชีวิตจิตประจําวันแล้วการจะได้อะไรที่เป็นชิ้นเป็นเมียเป็นน้ําใน จ, จิตใจยะสันดานของท่านอีกต่อไปเคงไม่ได้เลยเป็นที่น่าเสียใจด้ เดี๋ยวนี้เงงขาวรุ่นใหม่ไม่เคยสนใจกับวัด ก, กับปฏิบัติไปสนใจบวชซีพรามตามวัดเฮหาเสือสวนกันไปตามวัดต่างๆไปเที่ยวเช่นั้นต่างการจะให้หมดเคราะห์ต่างการจะไปแก่ตามไปทำกรรมฐานตามวัดวาลามต่างๆเสียใจเรื่องแก่ถูกจดจึงล้ำ น, นึกถูกนึก ถ้านานมืแต่อุปสรรคขัดข้องงงใจเสมอมันเื่อตาดได้แล้วที่จะมีอจันใจใืจิตใจของท่านทั้งหายไแต่ประทานได้ก็หมดโอกาสข้อนี้ไปหน้าสีดได้เวลาเลยเกื่อเวลาหมดไปยังเร็วเลือยนนังพระหรือพระเผลออยู่เดียวเดียวงานยังไมเสด็น่าจะชิ้นหนึ่งมาพระทานไปเช่ไ เดี๋ยวหยุไม่สี่วาระไปจะถึงว่าพาะนาแรงแปขั้นเดี๋ยวก็แรงทุดสีครับไปตามระเบียบเรียงคือพรธรรมไปตามเหตุการ์ชูด้วยกำหนดไปถึงเวลาแล้วก็หมดไปสภาพและหมดสภาพไปตามอันดับแรงชูดจากเคราะห์สารจะกลำพุงใจงไหนเลยเราจะมีความสุขมีความสนุกสบายในชุดา ก่อมอบจนแค่นั้นหมดโอกาสแน่นอนที่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้วันทนาําโซนะควรจะฟังธรรมคนชายผู้ลืมวันพระลืมที่จะปฏิบัติธรรมะลืมังโูนเตรียงทานที่จะไปวันพระยันโกนนักคิดแค่วันเดียวหรือวันโกนผมไม่พระหรือตอนผมพระเท่านั้นหรือ โอนแปลว่าให้มันเรียบร้อยให้มันสะอาดเวลาลายจะเข้าเป็นเข้าถึงพระต้องทำเอาตัวให้สะอาดจะมาปฏิบัติกรรมฐ า, ามนสวดมนต์ไหว้พระต้องอาบน้ำชำระรางกายปัดกวาดบ้านให้สะอาดโอนให้มันเรียบไปวาให้มันเรียบโอนตัวนี้แปลว่าวาดโอนแปลว่าตัด โอนแปลแวา่าทาโอนแปลแว่ากันคชว่กันขางให้หยุดเลยมันน้ำย้อยบอกตามทำให้มันสะอาดทาให้มันสะอาดเหมือนเราที่จะขัดช่องฝาจะขัดเครื่องเฟอร์นิเจอร์จะทา่าะทาน้ามันต้องขัดแล้วขัดอีกทาแล้วมันถึงจะมีเงา ชั้นเดียวก็ชั้นั้นถึงวันโกนล้วก็ต้องเตรียมโกนทําใจให้สาบายตัดใจปฏิโฟกังวลเตรียมมาวันพระวันพระเปลี่ ย, สยนสายแว้งหาพระให้จนที่ปฏิบัติธรรมะจึงจะพบพระถ้าไม่ปฏิบัติธรรมคันสองของพระพุทธเจ้าแล้วตัวแทางของพระองค์คือธรรมะผู้แทงของพระองค์นั่นคือพระธรรมดุไน แต่เราเปพระสงขาดพระธรรมวินัยายดิจวัตรไม่ลงโบสไม่ลงวัดไม่ปฏิบัติธรรมไม่สดพระไม่สพระเนี่ยเป็นพระแปลมเป็นพระยอ้อนใจไม่เป็นพรที่ถูกต้องตามพระธรรมวินยตามคาสอนของพระพุทธเจ้าแน่นอ น, นอุมาศอุมาศิการแปลมก็ไม่เคยปฏิบัติธรรม ไม่เคยปฏิบัติในฐานะเป็นอุบาสกสมาทานสูงสมาทานประกำมาฐานสมาทานเนธธรรมต้องมาอยู่ที่สําหรับปลารถธรรมเจ้าบาสิกาจะเป็นอุบาสิกาแทนไหมถ้าจิตใจมันแก้ไม่โกนไม่ให้มันเล่งให้มันเตี้ยนบุกเบิดใต่ป น, นและจะไม่แปรจะไม่ยอมใจโกนแปลว่าบุกเบิด แเราจะปลูกบ้านหลังหนึ่งต้องบุกเบิกให้ต่ามันเตียนว่าก็ดูที่ดูทางใช้สะอาดดูที่มันจะลุ่นมันจะเดินมันจะเต็นหลุมเป็นบ่อจะหลุมเหล่าตรงไหนก็จะเด็ดแต่ขาจะได้ดปูกบ้านต้องปลกเบิกแสนจะยากลำบากลำเคงใจที่สุดเวลาก็จะมีบ้านสักเรือนสักหลังหนึ่งก็แสนจะยากลำบาก จะมีย่าวนีเรือมีครัวจะมีเถ้ามีเมียก็แสนจะลาบากยากลำบากใจถ้าจะมีสรงเดชประเทศฉามันก็ไม่เป็นไรเจอกันก็ได้ตามแต่งานกันไปก็ไปอยู่การตามเวรการกรําตามอภิสลตารของธรรมทั้งหลายนีหละเป็นการบุกเบิกจิตใจก็ต้องบุกเบิกวังโกนต้องเตรียมตาม วันพรปฏิบัติการให้อยัดแกรอย่างนี้ต่างต่าต้องนี้การบุกเบิกวันโกนก็ไม่รู้วันพระก็ไม่เข้าใจยังสร้างบาปในวันพะสร้างบาปในวันโกนตลอดกาลเวลาวันไหนและวันดีของเราวันดีนั่นคือวันอะไรท่านสาทุกคนผู้ก่อบริษัททั้งหลายโปรดตอบในใจวันดีของท่านคือวันอะไร เป็นยยังไงเรียกวันดียของท่านคือวันอะไรเลิกงานยามยของท่านคือวันไหนแตาจำดีแต่งานลูกสาวท่านลูกายท่านเลิกตรงไหนก็เลือกดียามไหนเป็นยามดูยไหนเป็นดีของท่านพระจาสเนท่านจะตอบว่าอลไา่จะไปหาดูที่ไหนไปหาผเข้าใจชง แต่หาหม่อดูเล็กดูยามจะแต่งงานลูกสาวให้อยู่เย็นต้องสุขให้ลำรวยในชั้งคมเสียดายเสียาจแต่คำว่าวันดีมีปัญญาเป็นวันส้างสัรคฐานะเป็นการใช้วิธีจิตให้เข้าไปสู่ภาวะของคุณศลผลงานของชีวิตเดินทางสายไม่ผิด เราดุจจ่างสานเพื่อรืมเลือนดำเนินงานทันทีท่านอย่ารอรีจัดการใดนั่นแหละยันดีของท่านอุตสลาธรรมะอุตสลาธรรมะทําดีท่านจางใดดีทําชั่วท่านจางใดชั่วยันดีก็สร้างความดีตลอดวันเวลาสร้างในช่วงมันก็ดีในช่วงสร้างกลางถินมันก็ดีกลางถนนกวัดวัดให้สะอาดมันก็ดีในลานวัด คามดีมันก็อยู่ที่วิธีการที่สร้างทํำดีให้กับตัวเองอย่างดีก็เวลาว่างอย่าให้ใช้เวลาอย่างนั้นไปสร้างความทุกขเลยทำแต่ดีสร้างมีให้ด่งานท่านดีงานท่านจะเดินเงินก็จะตามมาหาท่านจะได้มีทรัพย์มีชื่อเสียงมีความรักดูให้จิตใจของท่านก็รอตามประวัาสตร วันไหนก็วันไม่ดีวันนี้น่ะวันดีข้าสร้างความดีแต่อในกอสร้างความดีก็เป็นวันดีข้างในตอถ้านางขอสร้างความชั่วมันน่ะเป็นความชั่วนนนางขอสร้างเลยสร้างร้ายหาจะหายะนะให้แกตัวนั่นแหะความเลวร้ายบ้านไหนมีผัวมีเมียสร้างความดีไม่พูดทะเลาะกัน ผู้กระุงอ่อยตามหวานเรื่องซึ่งจากเริ่มปากหวานหูไม่รื้หายผัวก็เป็นมังคอนมือผัวเป็นมังคอนมือเนื้เป็นมังคอ น, เ, น, เ, น, คนเดี๋นี้ผัวก็เป็นอาบะมังคอนเนี้อก็เป็นอาบะมังคอนทะเลาะการรันม่วาดกาันทึ่งควางกันได้อย่างหน้าสุดาเร้าที่สุดมีลูกก็เป็นอาบะมังคนอนเถียงพ่อเถียงแม่ทําไม่ตกฟากไม่อยากอยากจะเรีมหนังสือหนังหาแต่ประการใดาบ้านอาบะมังคอน ในบ้านนั้นบ้านนั้นเป็นบ้านยักษ์วันไหนแล้วเป็นวันดีวันไหนแล้วคืนดีเช่ น, น, นวันนี้เป็นต้นวันนี้เป็นวันพระถ้าใครมาสร้างพระไว้ใจคนนั้นใจก็เสดคนไหนมาทําเลวในจิตใจคนนั้นเลวไปสลัดไม่ได้เป็นอาบปมังคลปิฎยามารยาตก็เลวไปด้วยไหนจิตใจก็เลวไปปุญญาก็เสียหาย จะพูดจาเพราเป็นพุทธวาจาพูดจาไม่เคาะพูดจาไม่มีเหตุที่ผนสัจจะเวออมาตะวาจาวาจ า, า, จาสัต ว, นะนวาาต์นัเป็นวาจาที่ไม่ตายเเป็นวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์พูดไดต้องทําไม่มีประเดียวตาเดียดตาการ์การจะเจริญกตธรรมฐ า, านนะั่นแหละเป็นการเอาพระมาเข้าตัวเอง เอาพระเขามาจิตใจจิตใจท่านจะดีจิตใจท่านจะประเสริฐนั่นแหละล้ำเลิศเป็นวันพระในวันดีของท่านจะทำดีเวลาใดเวลานั้นเป็นความดีที่สุดจะทำทั่วเวลาใดเวลานั้นทั่วที่สุดเอาดีไม่ได้คนที่เป็นคนดีจะขยนันหมันเพียรทุกระดาบคนทั่วจะชี้เกียบ จะไม่อยากเอางานเอาการจากประการใดแต่หงจะตัวจะต้องตัวลําบากความยากมันจะเกิดขึ้นใกล้คนอับปี่จังหลยเช่นดังกล่าวมาแต่ไม่มีประโยชน์ส่วนผลแต่ประการใดเป็นพระก็พระเกจะเป็นชีก็ชีกเกจะมีมาสุริยากแก่หมดถ้าจิตใจมันเกสรสร้างความดีไม่ได้เลยเรวจะดูแต่เพียงจะนุ่เหลืองหงเหลืองว่าเป็นธาตุศุขเท่าทนั้นหรือ ต้องดูในภาพปฏิบัติของพระคุณเจ้าเพื่อปฏิบัติประการใดโยนนง่งขาวหงขาวก็ต้องดูแต่ไปปฏิบัติกอะไรแม่ขาวนง่งขาวหงขาวเดินสวนพระจะชนพระไม่เคยไหว้พระก็ไม่ประเภทนี้ก็มีมากนี่แหละอัปมงคลอะอะมมงคลและอัปมงคลคนที่มีมงคล น, นั้นจะมีแต่สร้างกระดศรผลงานตลอดเลยนะ การเจริญวิปัสนากรรมฐานเป็นการสร้างสรรให้เกิดตัญณญย์องการจะปลกปกจิตให้เกิดผลด้วยปัญญาเรียกว่าปัญญาให้แก่ตัวข้อผูวของตนสมาธาแปลว่าสร้างสมาธิทําให้เกิดการศึกษาแสวงหาวิชาการให้กก่ตน แตวิปัสสาเนี่ยต้องการจะปลุกให้ตื่นใช้คนให้เป็นงาน <c oughs> ต้องการจะปกครางตนป <c oughs> กครองตัวและครอบ ต, ตัวตลอดเลยตางมีขันติเป็นมหาหยมในชีวิตกุ้งผู้ปฏิบัติกัมมฐานผูป้ปฏิบัติกัมมฐานก็จะเลื่อนสติปัฏฐานสูงเวกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน จิตา น, า น, าา น, านานุปัฏฐานที่ประฐานธรรมานุปัสฐานที่ประฐานนั้นกายจะยืนเดินนั่งนอนเหลยไหาแล้วขวาจะพูเหยียดเยกขาตั้งสถิตไว้ทุกอริบทนั่นคือตัวธรรมะสวยน่ารัจากจะเดินไปทางไหนก็มีแต่มารยาทอาบองทรงธรรมอาถานบุรลาชฉรสง่งบุรลาชฉลิสง่งองคูทอน อง์าอาจกล้าหาญในธรรมซ้ ำ, ำมาปฏิบัติในหน้าที่นี่เรียกว่ากายานิพนานฐานยืนหนอห้าครั้งท่านมือซัดตือกนหนกตรังชี้หักชี้สะลนไปเท้าได้กันทุอย่างตั้งแต่เบื้องตามปลายผลมลงไปเบื้องบนปลายเท้าขึ้นมายืนหนอห้าครั้งก็คือกรรมาฐานเบื้องต้นนั่นเองเดชตาจักปัญจกะกรร ม, มาฐาน มีมาตั้งจต่กันเนิ่นเกิดมาจะกทองคุ้มมารดาแล้วมีพร้อมมาแล้วแต่ทําไมเอาไปทิ้งตั้งแต่ปลายเทา้ากุมาลศักดิ์ศักดิก ล, ลาไเท้ามีสตุยึดมั่นในจิตจะาาจตรู้ว่วารจิตคุ้มเป็นได้จะรู้ว่าลรจิตคุ้มคนอื่นได้สัมผัสแล้วพอคนเดินมาจะเห็นนิสัยใจขอบกันว่าคนนี้นิสัยไม่ไดีคนนี้เป็นใหญ่เป็นโตไม่ได้คนนี้หัวไม่ไมีต้องตาย ออกมาในประเภทนี้ชัดเจนมากอันนี้เป็นหลักปฏิบัติชัดเจนเนะแม้พระพุทธเจ้าของเรามียอดปัตตนาย่อพัฒนาเพื่อต้องการพัฒนาคนต้องการให้คนเรามนุษย์เราดูด้วยมนุษยชาติศักยภาพของมนุษยชนยู่ด้วยความสุขความเจริญในชีวิตกุ้งท่านทั้งหลายออกมาจะเห็นชัดเวทนานุปัสตนานั้น แต่จะต้องกำหนดอดทนในด้านเวทนาให้มากที่สุดเป็นความอดทนขันติธรรมอยู่ในเรื่องนี้ขันติหิตสุขขาวาหะาติและว่าอย่างนั้นแปลว่าขันติความอดทนกำหนดเวทนาที่บัพพ์บัญชามันไม่ได้ปวดขาเสียใจโกรธเป็นเวทนาทั้ง ไม่สบายใจก็เรียกว่าเวทนาบังคับไม่ได้มันจะเกิดขึ้นในส่วนตัวของท่าทุกคนเป็นหมดแเรามาสบายใจไม่สบายใจก็เป็นเกิดขึ้นกำหนดเวทนาปวดหนอให้มันหายไปสภาวะเกิดขึ้นเดี๋ยวก็กินยาเดี๋ยวโยกแพร่เดี๋ยวก็ดับไปมันก็จะหายไปอดทนได้มไหมทำได้หรือไม่ในอย่างนี้เป็นตอนมีเหตุผล เวทนาเสียใจกำนัที่ลิ้นตีน้ำแต่ไม่รู้ว่าลิ้นปีที่ไหนเสื่อว่ากำลัท่านหลับไปถึงจะดูท่านพับคึืนมันจะอยู่ตรงไหนกําหนัตให้ด้ส่วนใหญ่มาปฏิบัติกันจริงจริงมาจามสองวันกลับอยากจะให้อยู่ให้มันได้คงจะให้กลับทําได้เช่นอย่างหนึงเือกลับบ้านกลับไปโดยย้อนจงกรมก็ไม่เป็นกลับไปแล้วมาดีรู้เหนือรู้ตาแล้วมาทําไหมมาหาอะไรการ มาเดี๋ยวประโยชนัสอดที่ผลจะประาดานได้ไปเรียนหนังสือสอบตกเลยจะกลับบ้านไม่ผ่านไม่ผ่านเลยประสบประการก็ไม่เคยประสบมาทดสอบมาแล้วก็ไม่ผ่านสอบจตก ต, ตลอดเลยกันนี่แหละไม่เดี๋เคยประสบประการก็ชีวยดิความอดทนเลยเลยก็เบออกไปนี่แหละท่านทั้งหลายเออไม่เ ด, ทดทีทดสอบชีวิตเลยทดสอบจิตใจของท่านบ้าง น, นี่คือเบื่อท่า ยังไม่ทัดทดสอบจิตใจเลยเพอกระทบกระเทียบผนอยโกรธเลยนะกลับนี่พระแพทย์นี่มีมากและเกินขาดธรรมะอย่างหน้าสุดาลเพราะว่าไม่ทดสอบแเราเรียนสอบแล้วก็ทดสอบไปอยู่ในสนามพิจชณาโดนด่ามากงโดนว่าบางรู้ทดสอบนี้กลับไปโกเคเขานื่อแสดงว่าท่านสอบจบเราไปโจย์นี่จิตใจไม่ไม่มันคงเช่นนั้น คือปฏิบัติกรรมาฐานไม่ได้เลยโดนกระทบกระเทียบโดนทดสอบขอหน่อยเลิกเลยเลกทุนเขียวพลันแ ล, แลนะเาโดยาแสดงว่าสสอบตอกไม่ได้ธรรมะแม้แต่ขอเความอดทนไม่มีเลยอกอยั้ทนทนลำมากก็ไม่ได้ทนกระตันก็ไม่ได้ไม่มีความอดทนต่อกระตันได้ในจุดมุ่งหมายของเวชาันนะั้นแต่ท่านก็ปฏิบัติันไม่ได้ ตามใจตัวอยู่ตลอดเลยจานตามใจตัวหัวอยู่ในกิเลสจิตใจท่านจะเศ้าหมองตลอดตามจะแก้ไขปัญหาชีวิตท่านไม่ได้แน่นอนที่สุดจะไปแก้ปัญหาชีวิตตรงไหนนะจะมาจะแก้ตามโน้นจะแก้ตามนี้มาแลกเวรแล้ตามท่านจะจะผิดหวังตจหน่าเสียดายแตมาไม่บอกใครแล้วบอกให้สวดมนต์ยังไม่อยากจะสวดกัน ท่านสามีแั่ความชั่วอยู่ในใจเมื้อหน้าอยู่ ใ, ในใจแล้วก็มาอยากจะสร้างความดีเวลาจุตเศร้าหมองก็มาอยากปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมต้องการจะแก้จุดไม่เศร้าหามองให้มันผ่องายให้ใจสะอาดหมดจดอย่างนี้ตันตๆอนึงจะถูกต้องตามคัลเลอของชีวิตอย่างนี้ตันตๆจะเป็นประโยชน์ใจท่านทั้งหลายบางทีพระสงฆ์องค์เจ้าบางท่านควรจะสั่งสอนประชาชน ผลผลงานที่กิดประโยชน์ต่อพระพุทธจาบัตรเป็นประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นคนที่มีธรรมะจะขยันสอนคนที่ลายธรรมะไม่มีแล้วมันขี้เกียจสอนก็ไม่มีอะไรจะไปสอนไม่รู้สาบโดดกรรองที่ไปสอนเ้าเลยก็เลิกสอนสามารถจรึงไม่มีการสอนธรรมะปฏิบัติธรรมจับประากันไดเพราะท่างไม่มีธรรมะไม่มีคุณัภาพไม่มีปตากาสิทธิชีวิตไหนเลยจะไปสอนเขาได้ เพราะมันไม่มีไม่มีอะไรจะไปให้ใครเขาก็เลยก็เห็นใจพระทำวัดต่างๆไม่มีอะไรจะให้หรือจบาลีมหาปริยนจะให้โยมเอาไหมเรียนบาลีเรียนแปลงสือก็ไม่เอาไม่สามารถจะปริยนได้แก่เถียงหมองหอกหัวดําดำปริยนบาลีได้ไหมเรียนมาพูดภาษาก็ไม่สามารถเรียนอยู่ก็ไม่ชาเราก็ตายจากกันไปแล้วเรียนไม่ทันตรวจปริยนเก้าแล้วทานกต้องตาย อย่าเอาอะไรไปเรียงกันล่ะแท่ปฏิบัติก็ยังปฏิบัติกันไม่ได้ต้องไปเรียนชูหรือเปต่ากันได้ก็หมดโอกาสความดีอันงามทั้งธรรนี่การเวทนาปฏิบัติได้ไหมมันปวดทุกข์สกุลกายเือเกินกํำหมดเข้าเดี๋ยวก็ปวดหนักปวดหนักเกิดเครื่อยู่ดัดไปเดี๋ยวก็หายถ้สติก็ดีขันติความอดทนจะเกิดเป็นมหานิยมประจําตัว คนไหนมีมหานิยมคือฮิริโอ ต, ตัปและขันติธรรมนัข่ขันติเป็นหัวใจความความดีของคนถ้าคนไหนไม่มีความอดทนไม่มีหัวใจความดีท่านจะไม่มีความดี ใ, ในใจแน่นอนอดทนไม่ได้กระทบไปเหมือนอย่างฟืนกับสายหน้าตาบัญญันยกนั่นแหละท่านจะเสียสัตย์สีเพราะไม่มีความอดทน เพราะการเจริญกรรมฐานต้องการมาฝึกให้อดทนลำบากทนกระรามทนจากความแต่เจ็บไข้ได้ป่วยทนจากความเจ็บใจในสังคมได้โดยตามทดสอบชีวิตการมานั่งปฏิบัติกรรมฐานไปโดนทดสอบเพราหนโกรธเปรียดถูกพยาบาทค่าพันยุเวนแต่ประการใดแล้ว ต่จะได้อะไรเป็นหลักอดเกมวิธีการอันนี้น่จิตตาอุปัชฌนาติปทานข้อที่สามจิตเป็นธรรมชาติตรงทิดอ่านอารมณ์รับรู้อารมณ์ไว้ได้เป็นเวลานานมันเทพอทุกสิไว้นั่นคือไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนที่อยากมือไปทําได้ทาําอะไรต้องกังหัดประจิกนี้มันเกิดจิตตาหูจมูกลิ้นตายายตาเห็นรูปประจิต เ, นนเสียงหนอกำหนดหูได้ยินเสียงต่อจิตกำหนดเสียงหนอนะักปฏิบัติธรรมไม่เคยกำหนดจะมันเรื่องเลยไปเปล่าท่านจึงไม่มีทดกอบจิตใจของท่านจึงได้ไม่อดทนไม่มีความอดทนในจิตไม่เข้มแข็งจิตใจไม่เข้มแขังเนี่นอนที่สุดเสียงหนอเขาดา่าเขาว่าก็โกรธเนี่ยกำหนดจิตมันทั้งหู คู่กันมานานแนะล้วพุทธลัพธ์จะไม่มีใครปฏิบัติตามไม่ปฏิบัติตามอย่างนี้ถ้าปฏิบัติตามสวยน่ารักแน่ๆสวยน่ารักมีอทนสวยอย่างน่าชื่นชมยินดีปรีดาออกมาอย่างนี้ชัดเจนมากมีหละเสียงหนอกลินหนอลสหนอที่วหวานมันเค็มอาหารการบริโภคนึกออกวันเวลาชีวิตให้อยู่ไปในวันหนึ่งเรื่อาหารอันนี้โภชนาการมังค่ามีาม รู้จักระมาในการบริโภคอาหารเท่านั้นเองไม่อยอมบริโภคเพื่อการมักฉันทะหรือการมักเกล็ดหรือการมักคุณห้าแต่ประการใดต้อตามยังชีวิตหมู่เพื่อทําประโยชน์ให้กับตนและหมู่รวมในครอบครัวของตอนให้มีความสุขความเจริญในเรื่องอาหารเท่านั้นการสัมผัสเกิดจิตที่ล่ า, างการทั้งฐารด้วยมโนธรรมในจิตใจเกิดนี้อย่างนี้เรียกว่าจิตตาอุปัชนากรรมาฐานจิตออกก็กําหนด คิดหนอที่อดิ้งปีนี่คิดหนอเดี๋ยวไม่คิดออกก็เขียนมันลงไปคิดบอกเล่าเราได้อย่างไรล้วก็ตามอย่างนั้นนี่เราถึงจะคิดถูกต้องเนี่ธรรมะเนี่ยทาให้แปลงกลองโยโนโสมานาะจะแปลงแล้วกลองเป็นทํทนทานองถามอดทนทำในอนุปัชฌนาดูประานยอดเรื่องความในข้อสิก็คือทำเป็นกุศลเรียกกุศ ทำมีอหรือทำชั่วจากการใดมันจะออกมาเป็นกุศลกรรมอกศุศลกรรมบอกให้เราทราบว่าเราทําไปแล้วนะั้นเป็น ก, กุศลหรืออกุศลจึงต้องกำบังที่ลิ้นติวารู้หนอลูหอล่หนอลู่หนออย่างนี้กันต่อประคำว่าลูห่หนอลูอ้แหลอที่เราทําไปมันผิดหวนจะเปลี่ยนภาวะจิใหม่เปลี่ยนโครงการใหม่เปลี่ยนนโยบายใหม่ มันเปลียนได้ทั้งนั้นไม่ดีก็ทําใหม่ได้เรวยไม่มีก็ปลูกได้กิจการมันมันมันขาดทุนก็ทําให้ได้กำไรได้มันได้ทุกเรื่องทั้งบุกทั้งเบิกเราจะมีเรืองก็อย่างที่พูดวันจะนท้เนี่ยต้องบุกเบิกก่อนเนี่ยจูตใจไม่บุกเบิกออามาปฏิบัติชงเดชประเทศขาท่านจะได้อะไรยไม่บุกเบิกนี่หละการเจริญกรรมฐานมาบุกเบิกชีวิต มาบุกเบิกจิตให้จจ่มใสให้กว้างขวางทำมาลายให้มีแม่ตาญาณิยาลีเลี้ยเพื่อถาเหลือเขดูกันบุกเบิก <c oughs> คนที่ในบุกเบิกคือแม่ปฏิบัติคนนั้นใสแคบเห็นก็ตัวต ล, ดลตาดการคนนั้นจะไม่มีใจกล้างใจใจใจกว้างขวางหรืออัจฉริ ย, าายจะใสตลอดการได้แ <c oughs> ตม่มีจิตนาคูโสนตลอดในการไม่ทําท มีแหละต้องกาหนดให้ได้บางคนไล่อัทยาสัยไม่เคยทักถายปลาสายแต่มนุษยาา์แปรฉ่าด้วยแขกเรือเผื่อ น, น้าแประการใดมีแต่ใจแค่มีแหละนัะนกกรรมาฐานมีแต่ให้กระชวยเป็นเป็นเดิมเป็นทุนเดิมทุเขาโดยการอบทนทุกชนิดในคดีโลกและคดีธรรมมืพร้อมการทุกประการขอฝากท่านทั้งหลายไว้วันวนี้ าการเจริญกรรมฐานทําให้เรารละลึกชาติชีวิตได้รละลึกเหตุการณ์ชุดได้แน่นอนจะท่านทาได้หรือไม่ท่านทำไม่ได้อย่าวยวายคนที่เขาทาได้มันมีเยอะเห็นหนอเห็นด้วยจิตใจเห็นด้วยปัญญาเสียงหนอฟังด้วยปัญญาจะรู้เข้าใจคิดหนอคิดด้วยปัญญามีสติปัญญาคนที่มีกรรมาฐานจะขยันไม่พัก คนที่เสีเกียดไม่เอางานโอการไม่เอางานโอการคนไมงมีกรรมฐานไม่มีธรรมะประจำใจจะเป็นท่านผู้ใดจะเป็นประสงค์องเองจ้าเป็นพุทธบริษทัททรกใครก็ตามเหมือนกันหมดคนที่มีธรร ม, มระไม่มีขันติความอดทนแต่กระการได้ถ้าท่านจะเอาอะไรยากนี่แหละธรร ม, มานุ ป, ปัสสนาสติบัตฏฐานกุศลหรืออกุศลท่านจะได้จงไหนและเป็นธรรมะในส่วนตอนก็จะหาไม่ได้ยากมาก ไม่มีโอกาสที่จะดีได้แล้วไม่อดทนผู้มาปฏิบัตินี่เท่าที่กัณฑ์มาไม่เคยมีใครอดทนเดินจมกรมแล้วก็เลิกนั่งหน่อยก็เลิกบวดเมื่อยก็เลิกแต่คนตาพาประเภทนี้ไม่สําเร็จงาการทั้งหมดทั้งคดีโลกคดีธรรมก็ไม่มีความอดทนมาเพื่อแก้กรรมให้กรรมหายไปทํามไม่ดีจะได้หายไปไม่เป็นความจริงอย่างนั้นการฟุ้งซวนจะสร้างความดีขึ้แต่ตัวเอง ความดีนั่นจะสิงจะถึกอยู่ในจิต ใ, ใจของท่านตลอดกาลนี่มันมีความหมายอย่างนั้นหนึ่งรู้กฎแห่งกรรมไหมท่านได้สร้างเวงกรรมอะไรบ้างท่านก็ไม่รู้เลื่องจะจะแก้กรรมได้หรือในการใดจะแก้ปัญหาก็ไม่ได้จะฟังเทศก็อดทนไม่ได้อดทนไม่ได้ทั้งแล้วไม่สนใจในการฟังไม่สนใจในการทบทวนไม่สนใจในการคิดอ่านเขียนเรียนวิชา ไม่สนใจเรื่องสร้างสารฐานะของตนแต่ประการใดจึงไม่มีธรรมะอดทนในข้อนี้มีมากตัวไปเพราะฉะนั้นวันนี้จะแสดงความอดทนเรื่องคติธรรมเล็กน้อยเพื่อการแทรก ก, กรรมฐานที่เราจเจริญกรรมฐานมาเนี่ยต้องมีความอดทนมากต้องดทนต่อสู้บางคนก็ทำํำคืนยังล่กไม่ทับเดินจงกรมปฏิบัติติดต่อไปซึ่งสว่างเลยก็มีมาก บางคนกลางวันต้องไปทํางานกล้งคืนมานั่งกรรมฐ า, านที่บ้านเขาตลอดแจ้งแล้วก็ไม่อ่อนเพลียจากประการใดเพราะนั่งสมาธิเดินตรงกลมมานั่งสมาธิและปฏิบัตาาิกรรมฐานกลางวันต้องไปทํางานต้องทํางานตลอดรายการไม่เคยมีว่างแต่ประการใดร่างกายก็ไม่ไม่ไม่อ่อนเพลียสามารถทํางานได้ทุกประการด้วยความอดทนอย่างนี้ ตอนนี้ไปก็เพื่อจะชี้แกนเรื่องอดทนสักเล็กน้อยเพื่อเป็นทัศนะศึกษาต่อจากกรรมฐานขอท่านทั้งหลายตั้งใจฟังเรื่องทัศนะศึกษาเกี่ยกวกับกรรมฐานด้วยความอดทนตามคําสอนของพระพุทธเจา้าเอามาเปรียบเทียบประทางโลกประทางธรรมขอท่านตั้งใจฟังสือไปณโอกาสถัดนี้ขอจเจริญพรเจริญสุขโดยทั่วกันณบัดนี้ คำาว่าขันติธรรมที่เราได้จากกรรมฐาน น, น, น, า น, นั้นเป็นยอดแห่งความสุขคือขันติั้นเป็นยอดแห่งความสุขขันติหีตะคุขาววหาติวันนี้จะบรรยายสแสดงถึงขันติคาถาภาณาถึงขันติความหดทนให้ท่านฟังวันนี้อันเป็นธรรมที่สาคัญที่สุดข้อหนึ่งในพระพุทธศาสนาด้การจัปฏิบัติธรรมะ จากการปฏิบัติกรรมฐานที่เราจะได้การเพื้อพรชาติทางโลกทางธรรมให้สมดุลกันได้ว่ากิจกรรมทุกอย่างการปฏิบัติทุกชนิดทั้งทางคดีโลกและทางคดีธรรมตั้งแต่ระดับต่ำที่สุดตลอดขึ้นไปถึงระดับสูงที่สุดล้วนต้องอาศัยขันติทั้งสิน้นการเจริญกรรมฐานถ้าไม่มีขันติท่านก็นไม่สามารถจะปฏิบัติกรรมฐานได้ทั้งนั้น ต้องมีขันติความอดทนท่านจึงจะสร้างกุศลได้เพราะฉะนั้นหาขาดขันติเสียแล้วกฤตจกรรมต่างๆเหล่านั้นจะสำเร็จไม่ได้เลยทั้งทางโลกทางธรรมจะนั่งกรรมฐานก็ไม่ทานทดสอบก็ไม่ไปสอบตกตลอดหรือจะสาเร็จบ้างก็ไม่สมบูรณ์เปรียบจะเหมือนการสร้างตึก บ, บนลาดฐานที่ไม่มั่นคงก็มีหวัง ชดหรือพังในที่สุดชั้นใดอย่างที่บุกเบิกการจะสร้างบ้านแม้ในเรื่องความสุขก็เหมือนกันต้องอาศัยทันตีเขาช่วยมาร่วมเป็นร่วมเป็นทุกข์อยู่ด้วยมันมีทุกข์อยู่ด้วยความสุขจึงจะเกิดตลอดจนการที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นยอดของความสุขก็ล้วนอาศัยทันตีทั้งชิ่น สมกับกระทูธรรมพาสิตในสวดมนต์ฉบับหลวงจะยกขึ้นต่างไว้ขังตอนว่าสุขขันติหิตะถูกขาวหาสิแปลว่าขันตินำประโยชน์สุขมาให้เราขันตินี้นำประโยชน์สุขมาให้ดังนี้ในมงคลสูตรพระพุทธเจ้าจัดยกขันติว่าเป็นมงคลชีวิตด้วยคอหนึ่ง คือขันติธรรมเป็นมงคลชีวิตดุจคหนึ่งในบรรดามงคลชีวิต ท, ทั้งสามที่แปดประการนั้นประการนั้นด้วยประการชนีขันติธรรมจึงเท่ากับเพชรเม็ดล้ำค่าเพชรเม็ดล้ำค่าที่ทุกคนควรหาไว้เป็นชมบัติของตนฉะนั้นเป็นชมบมัดของตนด้วยขันติความอดทนขันติความอดทนมีเพชรประจำจักรขจจในตัวเอง คันติท่านแปลกันมาว่าความอดทนนับว่าเป็นคำแปลที่เหมาะเจาะมีความหมายซึ่งมีทั้งกดมีทั้งทนอดด้วยทนด้วยเรียกว่าเป็นคำแปลที่เหมาะสมกับอารมณ์ของคนเราอดและก็ทนทนและก็อดในเรื่องกรรมฐานแปลอย่างนี้เหมาะสม คืออารมณ์อันได้แก่ความรู้สึกจากกรรมาฐานมีความรู้สึกอย่างไรอดทนกาหนดจิตตั้งสติไว้รู้สึกนิกคิดของคนเหล่านั้นแม้จะมีมากแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็มีอยู่สองอย่างนี้เมื่ออย่างได้ยางหนึ่งเกิดขึ้นแล้วถ้าไม่อดในเวลาที่ควรควรอดหรือไม่ทนในเวลาที่ควรทน อสิยเช่นบางคนอยากจะกินกินอยากจะซื้อซื้อดาเรื่องที่อยากนั้นเหมาะสมไม่มีโทษก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นเรื่องเกินพอดีหรือมีอันตรายก็พาให้เกิดทุกข์ภัยเหมือนกับคนไข้จึนของสแสลมเท่นนั้นอันหนึ่งเมื่อถึงพราวทนถ้าไม่ทนก็เสีย เช่นไม่ทนต่อลมฟ้าอากาศเครียดคลาดการทำงานไม่ทนต่อคำนินทาว่ารายก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาข้าฟันกันเรื่องเลยลุกลามไปกันใหญ่คนที่เสียคนก็เพราะขาดน้ำทนนี้และเป็นส่วนมากความอดทนธรรมะของผู้หวังความเก้านา คือกรรมฐานด้วยการกำหนดอดทนกำหนดอดกลั้นอดออมอดทนปณิปนอมยอมความอยู่ที่กรรมฐานที่ได้จากการกระทบประเทียบหรืออดทนต่อการงานหน้าที่ด้วยเหตุนี้จึงเห็นได้ว่าธรรมะพวกนี้มีความสำคัญจริงๆซึ่งผู้หวังความเจริญก้าหน้า <c oughs> จึงไม่ควรมองข้ามไปเสียควรเพิ่มพูนทั้งความอด และความทนเริ่มต้นด้วยอดใจโดยไม่ปล่อยให้เป็นท่าของความอยากเพราะเครื่องยั่วยวนใจนั้นมีมากทางหูกมกูทางตาหูกมูกลิ้งตายใจทางปากเพราะที่เราต้องกำหนด จ, จิด ต, ตลอดเลยการนั่นแหละซึ่งอาาใช้รูปบ้างปีนบ้างลดบ้างยิ่งในทิ้งที่จเจริญแล้วมาก สิ่งวั่วใจก็มีมากเป็นเงาตามตัวมันมีเงาตามตัวตลอดเลยการทนต่อความอยากได้ไหมบางคนก็ทนไม่ได้หากไม่คอยยับยัง้งชั่งใจเอาไว้แล้วยอมพาให้เสียหายได้เช่นนักเรียนบางคนหลงระเริงรักในวัยเรียนยังเห็นที่มาอบรมที่วัดนี้อบรมในวัดที่มีมากรักในวัยเรียนต้องไปทาแทงบ้าง เลือดรรมาปฏิบัติธรรมในวันนี้เองนี่ะเราเห็นนีละบางคนหลงละเลินรักในวัยเดยมก็เรียนไม่สำเร็จต้องเลิกเรียนเสียกลางทางหน้าท่ได่าบางคนใจใหญ่ใช้จ่ายชุรุูร่าชั้งๆที่ฐานะก็ยากจนขนาดชักหน้าไม่ถึงหลังยังนี้อ่านเที่ยวเป่ เดิมสุลาไม่ลด้เรื่องาอาหารกินก็ได้ครึ่งเสียครึ่งเรื่องอาหารการกินก็ได้ครึ่งเสียครึ่งกินทิ้งกินคว้ากินแล้วก็ทิ้งทิ้งกว่างกันใจเติบกิงของดีราคาแพ ง, แพงบางทีข้าวของทิ้งคว่างการกินแล้วก็ทิ้งทิ้งก ว, ว่างกันเสียดายเยอเกินยังมี้กันต่อน เสื่อผ้าก็หลายหลากมากชนิดเรื่องจระหยาดไม่มีนี่แต่ความอยากเป็นเจ้าหัวใจคนอะไรไม่ไ ม, ไม่ไม่ทิดถึงตัวแล้วก็มานั่งโอควรวญจนอย่างนั้นลำบากอย่างนคนจนลำบากอย่าง น, นี้คือผลของการตามใจความอยากจึงตกยากไม่รู้ตัว แต่พอรู้ตัวก็หมดตัวเสียแล้วนึกอนอก็น่าสงสารคนประเภทนี้แต่นึ้ออีทีก็สงสารไม่ลงทำไมช่างไม่คิดถึงตัวไม่ตาดน้ำใสก่กระโหลกงโงกดูเงาบ้าเงาบ้กบานมืวงที่เจริญชาอาุญากรรมทีกๆๆ่กิดขึ้นก็เพราะคนลืมตัวประเภทนี้และมีส่วนช่วยถวง ช่วยกอกขึ้นไม่ใช่น้อยพระพุทธเจ้ า, จจาแม่จะทรงบรรลุโลกโลกรุตระดูเหนือโลกแต่ก็ทรงห่วงใ ย, ยคนในโลกนี้ต่องการให้ชาวโลกทั้งมวลคลองเรียนทองโลกอย่างผาสุกดังนั้นพระองค์จึงได้จัดสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่มากเช่นว่าทาลิศที่ยัยงทุกขังโลกเองความจนเป็นทุกข์ในโลก ิีงานทานานางทุกขังโลกเกตามเป็นนี้เขาเป็นทุกข์ในโลกเป็นนี้เขาก็เป็นทุกข์ในโลกปัติลูปกาลีธุรวาอัฏฐาตาวินทเททานันคนขยันทำงานเหมาะตับการเวลาย่อมหาทัพได้ทันั้นคนที่ยากจนแล้วขยันจับใจใช้สอยทุ่มเทควรจะเตื่นขึ้น แล้วก็ลืมตาดูตัวอย่างที่เขาล่ำรวยบ้างว่าเขาทำกันอย่างไรมัวแต่จะทำตัวเป็นไส้เดือนไล่หูไล่ตาคอยจ้องแต่จะใช้อย่างเดียวชนิดไม่ลืมหูลืมตาเรียกว่าไส้เดือนไส้เดือนมันไม่มีหูมีตาค้าวตีเก่าๆ เ, เป็นโอดเปรี้ยวเอาไว้คินหวานนานไปจะเป็นสุกหรือว่าตอนต้นสู้ทนทุก จะได้สุขเมื่อตอนปลายแต่ตอนต้นทอกระบายจะได้ลายเมื่อปลายมือคติทํานองนี้จําไว้สอนใจบ้างคนจะได้ลดความสรู้สุร่ราลงไปได้บักทนต่อสิ่งที่ไม่ชอบทนต่อสิ่งที่เราไม่ชอบต้องอดทนอีกอย่างหนึ่งครั้งสอนให้ทนในสิ่งที่ไม่ชอบเพราะของทุกถิ่งในโลกนี้ทั่วก็มีดีก็มาก มีทั้งที่ชอบและไม่ชอบเป็นล่อที่เปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนเขารักที่พระพุทธองค์กรัสว่าเป็นอนิจจังหากใครจะยืนจับฝืนหากใครจะฝืนความจริงให้กลายเป็นมุจจังก็เท่ากับพยายามหาหนวดเต่าเขาก็ตายต้องตายเปล่าไม่เข้าทีเมื่อความจริงมีอยู่เช่นนี้ทุกคนจึงต้องพบทุกอย่าง ทั้งชอบและไม่ชอบหนีไม่พ้นแน่นอนเพราะแหละเมื่อสิ่งที่ไม่ชอบเกิดขึ้นท่านสอนให้ใช้ความทนเข้าไปเชิญด้วยขันติกําหนดกรรมาฐานดิวยฉะนั้นเราจะกลายเป็นคนเจ้าทุกมีบางคนน้ํำอดน้นําทนไม่ใช่มีเพราะไม่มีหลักกรรมาฐานนั่นดีกําหนดจุดมีคนมีเปงคนเปล่าอยากจะร่ำรวยแต่ตัวลำบาก ตัวหนาวตัวร้อนถืออ่อนกระหมอ่อมบางขอบปีกลายทำตัวเป็นพ่อพวงมาลายัยทำมาลัยไม่จริงจังทำตัวเป็นพวงมาลายัยพวงเอ๋ยพวงมาลายัยลอยไปลอยมาไม่มีที่กเกาะแศษมนุษย์บรรลุคมลอยลอยไปลอยมาหรือก็พวงมาลายัยไม่เยอะลอยไปลอยมาสมบูญสวยดีไม่เอางานเอาการแต่ประการใดนี่แหละไรกรรมฐานไรธรรมะก็เป็นอย่างนั้น ท่านว่าคนเกลียดคราบตายวันละหลายครั้งเทิดบูก็จริงอย่างที่ท่านว่าฟังเสียงก็รู้หนาวออกจะตายไปร้อนออกจะตายไปหิวออกจะตายไปนี่แหละเสียงของคนเกลียดคราบซึ่งชอบเอาความตายขึ้นมาเพื่อาหาทางเรี่องงานคนประเภทนี้ท่านว่าอาภัพ เปนชะตาตกอับตลอดชีวิตถึงจะอยู่ชมโลกกับเขาตั้งแต่หนุ่มคุ้มแก่ขนาดเอาหลังอวดว่าเอาหน้าอุดินก็ยังต้องคลองความจนอยู่นั่นเองเรื่องความเป็นเศรษฐีไม่มีหวังท่านว่าคนเกียดคร้านนานไปจะไร้ซับจะอาภัพยากไร้หลายสถานนี่แหละโทษของความเกลียดคร้านไม่อดทน ไม่มีธรรมะธรรมดาคนเราชอบของทนทนไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนเสื้อผ้ามือผ้าเคลื่อนยนต์เพราะของทนใช้ได้นานทิ้งเปี่ยนน้อยไม่ต้องซื้อ บ, บ่อยใช้ได้ประโยชน์มากส่วนของที่ไม่ทนมีปกติเสียง่ายแตกง่ายหลอกง่ายหักง่ายก็ไม่มีใครชอบ คนที่ไม่ทนแดดไม่ทนฝนประเภทโดนแดดนิดก็ บ, บน่นโดนฝนหน่อยก็ว่าก็ไม่มีใครชอบอยู่ที่ไหนเขาก็ลังเกียดส่วนคนที่ขยันมีธาตุทนอยู่ในตัวไม่กลัวแดดไม่กลัวฝนทนเหมือนหญ้าแพะเป็นคนขยันมีนิสัยรักงานขณะทาก็สนุกสนานเพลิดเพลนินถึงงานนั้นจะหนักหรือจะลำบากเพียงไร ผลสุด ท, ท้ายก็แพ้บนขยันปเปรียบเสมือนชูนักดุถ้าเราทําท่าหนีชูนักก็ยิ่งกระโจนเข้าใสา่ถ้าเราใจกล้าตั้งท่าสู้อย่างเอาจริงเอาจังมันก็จะวิ่งหนีไนอย่างซึ่งท่าไม่วางงานอะไรข้อสาคัญอยู่ที่ทำจึิงเป็นสําเร็จแน่การเจรงกรรมฐานก็ต้องทำจริงๆมันจะสําเร็จทนต่ออารมณ์ร้ายได้อยู่ไม่ เพราะฉะนั้นการทนต่ออารมณ์ร้ายต้องเจริญอย่างขันติความอดทนอารมณ์ร้ายมันมาแพร่ผ่านก็ต้องกําหนดณจุดนี้มันได้อีกอย่างหนึ่งทนต่ออารมณ์ร้ายเช่นความเจ็บป่วยความผิดหวังการการเงินหรือการงานที่คันมีอยู่อยู่ในตัวเองมีมังไหนประกานใดการผิดหวัง หรือการทาทายการทาว่าล้ยดีซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องทนทั้งขึ้นมิฉะนั้นทุกจะเพิ่มมากขึ้นการเงินก็ดีมันก็จะอยู่ตรงนี้เหมือนกันซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องทนทั้งขึ้นมิฉะนั้นทุกจะเพิ่มมากขึ้นอย่างบางคนเก็บไข่ไม่สบายใจคลองมุองิดบุคนนองว่าคนนี้ตู้สือปุกบุกบุบุดด้นวายไปหมด เห็แนแ้วแทนที่จะสงสารคุณฆาตกลับหน้าสงสารคนพยาบาลมากกว่าก็าต้องทนทรมารรักษาโรคจริงๆก็แยกอยู่แล้ยังจะต้องมานั่งรักษาโรคแครกอีกหน้าลําคานใจมากแต่คิดไปอีกทีก็น่าหึงใจทั้งสองฝ่ายคือทั้งคนเจ็บที่ผ่าต้องผจญกับทุกขเวทนาและทั้งคนพยาบาลที่ต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อเมื่อเมื่อยลา้า อารมณ์ก็เสียบ้างเป็นธรรมดาอารมณ์ก็ต้องเสียเป็นธรรมดาแต่ถ้าจะนำเอาขันติมาใช้เสียบ้างอดทนมือกรรมฐานก็จะเป็นทางคลี่คลายความตึงเครียดลดลงไปบ้างอันห น, นึ่งเมื่อพราวเจ็บไข้ไม่สบายไม่ควรไปบ่นสาทยายให้ใครเขาฟังฉันเก็บอย่างนั้นฉันปวดอย่างนี้เพราะเขาลำพานไม่อยากฟัง เรื่องเจ็บๆจ็้ไขขัดของหล่ดอกนอกจากนี้ความผิดหวังก็มีพิษร้ายเช่นเดียวกันคือทำให้กลัดกลุ้มทิงไม่ได้นอนไม่หลับบางคนถึงกับทำลายตัวเองก็มีองก์การพระพุทธาจากัสว่ายำปิดชั้งนะลลปะติดตามปิทุขังราธนาถึงได้ไม่ได้สมราธนาก็เป็นทุกข์ อย่างคนที่ลู้ไม่ดีมิจายเกเร เ, เ, เกเรเกะไม่เอาทานเกิดมาล้างผลาญพ่อแม่พูดดีก็ไม่สนใจพูดลายก็ไม่ฟังเสียงความจะฆ่าเสือก็ไม่ได้จะขายหรือก็ไม่ดีต้องหวานอมขมเกลินทุกทนทรมานเลี้ยงดูตลอดไปอย่างนี้เป็นตน้นนก็จะเกิดเคลืนแก บ, บุคคลเหลนะ่านั้น แม้คนที่มีคู่ครองที่ไม่ดีก็ทำนองเดียวกันจะได้รับทุกข์เถื่อนสาหัสเพียงไรท่านที่ผ่านมาแล้วคงรู้ลสช้าได้ดีเรื่องผัวเรื่องเมียเมื่อปัญหาจชมนี้เกิดขึ้นแล้วจะทำอย่างไรเรื่องนี้ท่านผู้รู้ท่านสอนให้ให้หลบคือหลบใจตามหลักที่ว่ารู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหาง โดยมื่อธิบายว่าธรรมดานกที่ฉลา ด, ดว่องไวเข้าใจหลบหลีกย่อมปลอดภัยจากศัตรูคนเราก็เหมือนกันทะลุจากหลบหลีกลล่ะจากหลบหลีกปลีกตอนย่อมจะพ้นอันตรายเสมอในบางกรณีต้องใช้ใจหลบตั้งสติให้กำหนดกรรมาฐานกำหรับเรื่องในครอบครัวส่วนใหญ่ หลบใจเพราะตายหลบยากตายของเรามีหลบยากไม่รู้จะหลบไปทางไหนได้อยู่บ้านเดียวกันรวนมัวมันอยู่บ้านเดียวกันจะหลบไปทางไหนอยู่บ้านเดียวกันถึงจะหลีกก็ต้องคบจะหลบก็ต้องปะฉะนั้นจึงต้องหลบใจอย่ารับที่มีเรื่องเกิดขึ้นเสมอนั้นเพราะหลบไม่เป็นได้แต่รับ เพียงแต่เขาว่าสุนัขว่าแมวก็ออกรับจึงเกิดเรื่องดุงะอยางนี้เป็นต้นมี่แหละเราอยู่บ้านเดียวกันเอาจุดเจริญกรรมฐานเราอกายเนี่ยมันหลบกันแทงไม่ได้มนอยู่บ้านเดียวกันมันนอนอยู่ด้ยวยกันวิธีหลบใจนันคือเอาปัญญามารับแนบาทนเจริญกรรมฐานใช้ปัญญาหมายความว่าให้รู้เท่าทันอารมณ์ที่มากระทบ ตาหูจะหมูกลิงใจกะกำนอดกำนอดกำนอดไม่รู้ทันอารมณ์ปัจจุบันอดูไม่รู้เฟื่องอื่นอะไรที่อชอบทําอ น, นาคตไม่แน่นอนปัจจุบันทําเทียปัจจุบันนี่คืออารมณ์ที่มากระทบทั้งที่เป็นอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายด้วยวิธีนี้จะทําให้ใจสงบเรื่องร้ายต่างๆจะไม่เกิดขึ้นและอาจจะกลายเป็นของดีขึ้นมาแทนที่ ตรงกับที่ท่านสอนไม่ว่ารู้เท่าเอาไว้กันรู้เท่าเอาไว้กันรู้รู้ทันเอาไว้แก่คือเป็นคนฉลาดรู้เท่าทันอารมณ์นั่นเองคือกรรมฐานรู้เท่าทันอารมณ์ปัจจุบันพลังบอกไว้นานแล้วรู้ไว้ว่ารู้ไว้ว่ารู้ทันเอาไว้กันรู้ทันเนี่ยเอาไว้แก่บอกไว้ชัดเจน คือเป็นคนฉลาดรู้เท่าทาันอารมณ์ที่นั้นจะเกิดขึ้นท่านยกตัวอย่างเช่นให้คิดว่าพระพุทธเจ้าผู้บรมครูก็ยังทรมานท่าทัวร์ทั์ไม่เฉลี่ยเพราเราเป็นคนธรรมดาจะสอนคนเช่นนี้ได้อย่างไรแล้วท่านทรมานทัวร์ทัดยังไม่เฉลี่ยเพราะเราเป็นคนธรรมดาจะสอนคนเช่นนี้ได้อย่างไรเล่า มีเรื่องขำขำที่เล่ากันมาเป็นคติอยู่เรื่องหนึ่งว่าถึงเปลดยัดเจระเบียบมีหน้าทือรักษาสลาพักร้อนคืนหนึ่งเห็นคนนอนเรียงแถวบนสลาศีษะตามบ้างสูงบ้างไม่ได้๋ะเบียบลำคานใจจุงดึงให้เสมอกันแล้วก็กลับมาดูทางเท้าข้อลากลามไม่เสมอกันอีกจุงดึงลงมาให้เท่าๆทกัน เพลย์ยากตนนี้เราเพียงบดนขึ้นลงอยู่อย่างนี้จนอ่อนอกอ่อนใจตลอดคืนไม่สาเร็จทรงสำเร็จได้อย่างไรจะสำเร็จได้อย่างไรเพราะตัวคนสูงต่ามไม่เท่ากันเนี่ยท่านท่างหลายคนไม่เหมือนกันจะสอนได้อย่างไรคนเราสูงต่ำก็ไม่เท่ากันอีูจิตใจก็ไม่เหมือนอีกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการที่จะไปกะเตนให้คนอื่น งเงินเพื่อให้ได้อย่างใจของตอนผลทสุดท้ายตัวเราเองนั่นแหละต้องร้อนใจคือความต้องการของเราเองเอาใจของเราเองแต่เรานําเรื่องรื่นมาเทียบ ก, กับมือสายคนแล้วจะทําให้เราสบายใจได้มากที่ดิ้มอยู่วิธีหนึ่งท่านให้หลดใจไปอยู่กับอุเบกขาคือทำอุเบกขา คือนึกเสือว่าเป็นเป็นกรรมที่เขาสร้างมาอย่างนั้นเองซึ่งหนีกรรมไม่พน้นรุ่นปีทีนี้ความตุ่มจะลดลงความสนุกสนานจะเกิดขึ้นคล้ายดูละครซึ่งมีทั้ ง, ง, งพระ ท, งะทั้งนางมีพระเอกนังเอะมีทั้งพระทั้งนางมีตลกมีผู้ล้ายมากมายหลายประเภทหากเรามองดู สิ่งทั้งหลายในโลกนี้เหมือนกับดูลักพรเล้เราก็สามารถจะหาความสุกในโลกอันอันล้นออนลวนอลวณยุ่หวายได้นอกจากนี้อารมณ์ร้อนก็นับว่าเป็นอันตรายสิ่งําคัญซึ่งจะต้องอาศัยความทนเข้ามาเป็นเครื่องป้องกันไว้คำด่าว่าเียดสีงุมทานแหละ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 กเรกาเนี่เด็กเมื่อวันซืนมาดูถูกหรือบางทีก็ว่าตอเท่ากันแล้วไม่น่ารังเกียจกันเลยนี่เขาว่ากันในสังคมบางคราวก็ได้ยินว่าถือว่าใหญ่กว่ามาคมเพง น, น้ำใจได้กลมล้วนแต่น้ำตัวออกไปรับทั้งนั้นขั้นแล้วมานะที่ขึ้ก็เกิดขึ้นถึงกับทดลองดีว่าฆ่าฟันกันเพื่อรักษาเรียมเชิงชาย ล่องตุนไปกันใหญ่ทำนองเขี้ยงํำชับซ้ำให้ไม่เข้าเขียงล่องจำซ้าให้ได้จะเสียหายเมื่อสถานการณ์เกิดขึ้นเช่นนี้การสอนให้ใช้ขันติเพราะขันติสาหสวานกาขันติความอดทนห้ามความฝุ่นผันไว้ได้ยับยัง้งโดการมีชติ ดังพระเวชเันดอนตอนทุชกก็นำตีทะลุรักต่อพระพักอย่างพาลุ่นอันเป็นภาพที่สะเทือนสะทยสุดที่จะประมาณถึงกับล่นกับจะฆ่าทุชกเสียแล้วหากแต่ได้อาศัยขันติบา ร, รมีมาป้องกันเอาไว้บุ c h นั้นทุชกก็จะต้องตายเปล่าตาสมมุติว่าทุชกตาย สมแทนเนะี่พระองค์ก็จะได้อะไรขึ้นมาเล่ารปล่าเลยมีแต่ทางเสียพระเกียรตคุณก็จะเสียพระบารมีก็เสียพระพุทธเจ้าก็ไม่อุบัติพุทธบริสัท์ก็ไม่มีอันเป็นการสูญเสียอย่างใหญ่หลวงอันหนึ่งสมัยที่พระมาหาบุรุษทรงบำเพ็ญทุกอติอยาได้สเสวยทุกอเวทนาแสนสหัส หาไม่ได้ชงอาศัยขันติบารมีเข้าสนับสนิล แ, แล้วเราองค์จะสัจสรู้เป็นตัสสัมมารรทิฏฐิเจ้าได้อย่างไรนี่แหละคืออนุภาพของขันติซึ่งมีความลึกแศกสุดเพื่อจะพารนาในเรื่องกรรมฐานอานิสงส์ของขันติที่เราได้จากกรรมฐานที่แน่นอนถลกใจความว่าขันติเป็นธรรมที่สําคัญยิ่งในพระพุทธศาสนาข้อหนึ่ง เป็นมหันยมชีวิตซึ่งมีคุณประโยชน์อันล้ำเลิศดงังกล่าวมาแต่เมื่อกล่าวถึงอนิสง์ของขันติโดยย่อก็มีดังนี้คือขันติทําให้สวยงามมีสเสน่ห์ขันติเราว่าเราด่าเขาไม่ตอบไม่โกรธมีสเสน่ห์ขันติเป็นเครื่องป้องกันการแต่ความสามีทีขันติทําให้ลารวงมีหยาดฉาน ขันติทําให้การ ง, งานทุกชนิดสําเร็จลงด้วยดีขันติทําให้การครองเรียนครองรักเป็นไปด้วยความสงบสุขขันติลดกจำ น, น, น, นวนภัยบนท้องถนนลงได้ขันติเป็นพาหนะนำไปสู่สวรรค์ผ่านได้ขันติเป็นเครื่องรงเสริมให้พระมาหาบุรุษแต่ศัตรูศัตรูเป็นพระสัมมาทัมมิจฉา เาไปกล่าวมาเพียงย่อๆนี้ยอมพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าคันสิธรรมมีความวิเศษสุดจึ้งๆไม่ว่าจะใครที่ไหนเรื่องอะไรถ้าลงได้นำคันึิเข้ามาประกอบด้วยแล้วดีทั้งนั้นอย่างดีควรอย่างเดียวกับเครื่องถีกใช้ไม่สอยหากมีท่าทนผสมอยู่ด้วยแล้ว คุลภาพก็สูงขึ้นถ้าเป็นสินค้าก็ซื้อง่ายขายคล่องต้องใจคนเยอกกระการชนิดท่านจึงยกย่องขันติธรรมว่านำประโยชน์สุกมาให้ดังนี้ท่นนั่ น, นท่านสาลุชนทั้งหลายก็คือเพียงพิจารณาความหมายในขันติธรรมที่ได้มาจากการกระทาและทิจรณาแล้ว ในขันติธรรมด้านเปล่าแล้วทุกประการก็จะได้ผลอย่างสมค่าตราธนาทุกประการเข้าสู่ในภาวะด้านเปล่าแล้วนี่ก็จะเป็นประโยชน์ส่วนทุ่ผลแก่ท่านทั้งหลายอีกต่อไปก็จะนั้นการเจริญกรรมฐานการปฏิบัติกรรมฐานนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายโดยการขันติธรรมมระเภท ต่างๆ น, นานาทุกประการก็จะเกิดขึ้นถึงผู้ควรระลึกอยู่เสมอในการปฏิบัตินี้เราได้แล้วเราเลทิึงคุณพระพุทธเจ้าเสมอมีพระปัญญาพระวิสุทธิคุณพระมห า, รากรณาธิคุณระลึกถึงคุณประธรรมขอให้ท่านจงละทั่วปาแตุเพื่ดืน